มารมรุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีแม่ค่กระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปยังส่วนภูมิภาคทั่วประเทศถ้าท่านผู้ฟังรับฟังอยู่ทางส่วนภูมิภาคก็อาจจะฟังได้ทาง F.M. หรือ A.M. ก็แล้วแต่ในวันนี้อาจมาพระไพบุอพิปุนโนจากวัดป่าดอนไหนโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาเป็นผู้ที่คุยธรรมะ ให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกเช้าวันศุกร์อย่างนี้แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามที่จะถามมาถึงอธิบายโดยตรงหรือจะเป็นข้อเสนอแนะเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่เนี่ยที่จะมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของทางสถานีหรือว่าผู้เสดงถามท่านอื่นๆเนี่ยก็ให้สงมาได้นะไม่ว่าจะเป็นดา้านจดหมายทางจดหมายก็เขียนมาที่สถานีวิจิตกุชายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรงังสิตเขต ด, ดินแดงกรุงเทพหนึ่งศูนย หรือว่าถ้าใครสะดวกที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ให้ไปที่ www.piathama.com ก็ได้ตรงนั้นก็จะมีเนื้อหาอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้องกับธรรมะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันได้มีทั้งวิดีโอภาพและเสียงอะไรต่างๆเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่เป็นลักษณะ ข, ของพุทธวจนะให้ได้ดูกันด้วยแล้วก็ในทุกๆวันศุกร์อย่างนี้ ธรรมาก็จะมาเป็นผู้ที่แสดงธรรมเอาเรื่องราวบางประเด็นที่คิดว่ า, าเกี่ยวข้องกับประเด็นธรรมะที่ท่านทั้งหลายเนี่ยควรจะรู้ควรจะทราบในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดและในเวลาเช้าๆอย่างนี้การฟังธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมาคิดว่าดีมากเพระพทะเจ้าเนี่ยยัง เ, เคยบอกภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้ลุกขึ้นในยามสุดท้ายของราตรียามสุดท้ายของราตรีก็คือเวลาที่ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนี่แหละ น่าจะเป็นเวลาไหนก็ได้ถ้าสมมติในคืนหนึ่งเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสามเวลาแต่ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายเพรา ะ, ะช่วงปลายเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยคุณลุกขึ้นละพระพุทธเจ้าได้ฟันธงไว้และยืนยันไว้เลยว่าไม่เคยเห็นนะภิกษุรูปไหนที่สามารถทํานิพพานให้แจ้งรับรู้ถึงวิชฉาวิมุตต์ได้เนี่ยโดยที่พระอาทิตย์ขึ้นโด่งแล้วก็ยังไม่ตื่นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ ื่นเช้าเช้าอย่างเงี้ยมาฟังธรรมะอย่างนี้นี่คุณมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งเราเราไม่ต้องพูดถึงมรรคผลนิพพานอะไรเลยกัะนะเราพูดถึงความลึกซึ้งละเอียดที่ยิ่งขึ้นไปนะที่ยิ่งขึ้นไปในธรรมะวินัยนี้มีอยู่อันใดคุณต้องทราบได้ถ้าคุณตื่นเช้าอย่างนี้มาฟังธรรมดีมากๆาน่ายกย่อนงะหลายคนก็ทํากันไม่ได้ซึ่งเราทําได้เนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ย เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยสองคนคนหนึ่งตื่นเช้าได้คนหนึ่งตื่นเช้าไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพนะแต่เราพูดถึงเรื่องอุปนิสัยอย่างอีกคนหนึ่งไปทําความดีนั่งสมาธิใส่บาตรักษาศีลเลี้ยงดูบิดามารดาอีกคนหนึ่งกลับไปกินเหล้าเมายาทําสิ่งไม่ดีด่าคนอื่นลักขโมยฆ่าคนฆ่าสัตว์สองคนเนี่ยอาจจะอยู่บ้านใกล้ๆกันก็ได้ อยู่ในที่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเลยก็ได้แต่ทําไมคนหนึ่งกลับเป็นคนดีได้อีกคนหนึ่งกลับเป็นคนไม่ดีไปได้หรือหรือว่าอีกเรื่องหนึ่ง เ, เหตุการณ์เดียวเกิดขึ้นรถชนหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีอะอย่างเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อีกคนนึงสบายใจอยู่ได้แต่ไม่มีปัญหาฉันก็ทํางานของฉันไปดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูบุคคลรอบข้างทํางานไปได้อีกคนหนึ่งกลับเป็นเดือดเป็นร้อน กาแฟกาแฟก็ได้ากระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคลิงความไม่พอใจให้ปรากฏสองกรณีเดียวกันเกิดขึ้นสองคนมีวิธีการตอบสนองไม่เหมือนกันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนไม่ดีอีกคนหนึ่งเป็นคนดีเราต้องกลับไปที่สิ่งที่เป็นพุทธวัฒ น, นะที่พระพุทธเจ้ า, าได้บอกไว้ถึงเหตุของคนที่ทําให้ดีพูดถึงพุทุชนเนี่ยผู้ไม่ได้เคยฟังธรรม ถูกต้องทุกเขเวทนาทางกายเช่นป่วยเจ็บตัวเป็นร่างกายมีปัญหาอริยาสาวกคนที่เคยฟังธรรมสะดับธรรมรับฟังธรรมนั่งสมาธิบ้างเนี่ยก็ป่วยเหมือนกันเจ็บตัวเหมือนกั น, นสองกรณีเนี่ยเหตุการณ์เนี่เกิดขึ้นกับบุคคลคนหนึ่งไม่เคยฟังธรรมเลยนิสัยไม่ดีอีกคนหนึ่งเคยฟังธรรมเคยปฏิบัติธรร ม, มาบ้างสองอย่างเนี้ยต่างกันยังไงคนสองคนต่างกันยังไงก็จะพูดประเด็นนี้ให้ฟังทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดมาเนี่ย มีความแตกต่างกันอยู่ที่ตันหาะเป็นภาษาบาลีตันหาเนี่ยแปลว่าเป็นภาษาไทยนะแปลเป็นภาษาไทยว่าความอยากซึ่งจริงๆแล้วคําว่าความอยากในภาษาไทยเนี่ยที่เราเอามาใช้กันเนี่ยมันกินความกว้างมากอยากที่ดีก็มีอยากที่ไม่ดีก็มีแอยากแล้วแบบทําให้เกิดประโยชน์ก็มีในขณะที่ปัญหาเนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยเพรพาะพระเจ้าเนี่ยใช้เฉพาะในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดี แต่ ส, สิ่งที่จะพาไปไม่ดีเนี่ยจะใช้คําว่าตันหาในขณะที่สิ่งที่จะพาไปดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าฉันทะหรือความพอใจแต่ถ้าคนดีเนี่ยเขาก็จะพอใจในการทําสิ่งดีๆพอใจในการนั่งสมาธิพอใจในการให้ทานพอใจในการรักษาศีลตรงนี้จะใช้คําว่าพอใจจะใช้คําว่าฉันทะในขณะที่คนไม่ดีเนี่ยจะมีตันหาเป็นไปตามตันหาของความอยากตันหาของความที่ว่าต้องมีต้องเป็นอันนี้จะเป็นไปตามอํานาจของตันหา ก่อนที่เราจะมาทําความเข้าใจว่าเอ๊ปัญหาเนี่ยเราทราบละว่ามันก่อให้เกิดปัญหาละปัญหาที่มีมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะปัญหาเหล่านั้นเป็นเหตุสามารถที่มันเป็นเหตุเนี่ยการทํางานของมันตรง น, นี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนจะมาเข้าใจลักษณะการทํางานของตัญหาเนี่ยต้องเข้าใจตัวของมันก่อนลักษณะของตัวมันก่อนคือตัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีลักษณะเป็นเครือข่ายไหลนองเยิม แล้วก็ผูกไว้หลุมหลวมแต่แกะได้ยากนะอย่างแน่นหนาหลุมหลวมนะแต่อย่างแน่นหนาแกะได้ยากมีลักษณะเป็นเยื่อใหญนะ่ถ้าเราฟันมันเนี่ยมันก็ยังเป็นเยื่อใหญ่มันเหนียวมันตัดไม่ขาดซึ่งตรงเนี้พระเจ้าได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องผูกนะอย่างสมมติคนเนี่ยคุณไปขังนักโทษใช่ไหมขังไว้อย่างดีเลยกำแพงคอนกรีตสีด้าน ด้านเลยแล้วก็ใช้โซ่ผูกหรือเครื่องผูกที่ทำจากไม้จากหญ้าจากเชือกประเภทไหนก็นแล้วแต่เนี่ยยังไม่แน่นไม่แน่นไม่มั่นคงเท่ากับการผูกด้วยตันหาเป็นยังไงถ้าเร า, เาบุคคลเนี่ยเอา์ัแก้วแหวนมณีชื่อเสียงมาผูกคุณไว้ผูกไว้เหมือนอย่างที่พระบิดาของพระพุทธเจ้านะผูกไว้ด้วย ประสาทสามหลังภรรยาบุตรนะทรัพย์สินสมบัติความสะดวกสบายทุกอย่างหามาให้ก็สามารถผูกได้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วไอ้เครื่องมงูเครื่องไม้เหล่านี้ยไม่ใช่เครื่องผูกนะแต่เยื่อใยแต่ความมีเยื่อใยในสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือเครื่องผูกที่แกริย่าเยื่อใยนี่นะมันข้ามประเทศได้ข้ามภพข้ามชาติ ไม่ต้องพูดถึงว่าข้ามเข้าไปในคุกตารางข้ามไปในฝาผนังนะยังข้ามประเทศได้ข้ามพบข้ามชาติได้เครื่องผูกตรงนี้เยื่อใหญ่ตรงนี้นะนี่คือลักษณะของตันหาตันหาเนี่ยมีลักษณะที่ชุดดึงไปมันจะดึงเราไปหมดเลยถ้าคุณมีตันหาในสิ่งนี้มีตันหาต่างๆมีตันหาในสิ่งที่เห็นเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดไม่มีปุ่มเลยสักปุ่มเดียวแม่มันอยากได้ เนี่ยมันจะชุดหึงเราไปละเดี๋ยวก็จะไปดูเดียวก็จะไปฟังว่าออคอนเขาว่ายังไงอันนี้ใช้ยังไงมีที่ไหนขายบ้างราคาถูกอยู่ที่ไหนมีโปรโมชั่นไหมมีลักษณะมีส่วนลดไหมอย่างนี้มันเที่ยวไปหาหมดตรงเนี้ยคือปัญหาพาไปถูกพาไปแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยจริงๆไม่เกิดปัญหาปัญหาต่างๆในประเทศเลยนะปัญหาเศรษฐกิจปัญหา าการเมืองปัญหาเรื่องคนไม่สามาัคคีกันทั้งหมดเนี่ยเพราะตัณหาที่ความอยากตัณหานี้นอกจากมีลักษณะอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้มีมมเมล็ดของเขาเนี่ยถ้ามเมล็ดเนี้ยยังมียางอยู่และยังยังไม่แห้งเอาไปลงในดินมีการรดน้ํามันต้องโตขึ้นมาเป็นต้นได้เหมือนกันจิตของเราเนี่ยเปรียบสเสมือนกับมเมล็ดพืช มันจะไปโตที่ไหนมีแค่มีปัญหาต่างๆที่มาได้เี่ยมันต้องมีอย่างนะถ้ามีดินพร้อมมีน้ําพรา้อมมันโต ท, ทันทีเหมือนกันปัญหาในชีวิตเราเนี่ยจิตของเราเป็นตัวเข้าไปรับรู้จะไมารู้ว่าโอ้นี่มีปัญหาเกิดแล้วอย่างปัญหาเอาแค่ ง, ง่ายๆาที่ญี่ปุ่นมีปัญหาสึน า, นามิเรารับรู้ปัญหาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะยังไม่เป็นความทุกข์ของเราเท่าไหร่สําหรับบางคนหรือปัญหาในริเบียเขารบราฆ่าฟันกันอย่างเงี้ยเราไม่เข้าไปรับรู้ตรงเนี้ย เราก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอย่างคนอยู่บ้านนอกอย่างเงี้ยไม่ได้เคยอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าอ๋อลิเบียเขาฆ่ากันอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราไม่เข้าไปรับรู้ก็ไม่มีปัญหาการรับรู้ตรงเนี้ยจึงเป็นการรับรู้ที่จิตจิตเนี่ยจะเป็นตัวเข้าไปรับรู้แต่ทําให้เกิดปัญหาเนื่องจากว่าจะมีตันหาหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าจิตยังมีตันหาเนี่ยคือการรับรู้อย่างไม่มีตันหาก็จะไม่เกิดปัญหาละ จะไม่มีความทุกข์จะสบายใจได้แต่ถ้าจิตมีการรับรู้ในลักษณะที่มีตัณหาเนี่ยเหมือนกับมเมล็ดพืชที่มียางอยู่มันต้องโตได้ความทุกข์โตได้ปัญหาในชีวิตของเราก็แก้ไขได้ด้วยการที่เอายางออกนะเอายางออกจากมเมล็ดพืชเมื่อไหร่เนี่ยมเมล็ดพืช น, นั้นก็โตไม่ได้ปัญหาก็เหมือนกันโตไม่ได้ถ้าเราเอาตัณหาออกจากจิตเมื่อเอาตัณหาออกจากจิตการรับรู้สิ่งต่างๆนี่ก็เป็นไปอย่างลักษณะ ที่เป็นลักษณะของมันโดยที่ไม่เป็นไปตามอํานาจของตันหาที น, นี้พอเข้าใจลักษณะของตันหาแล้วเนี่ยกามีลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยจะฟันจะสับมันยังไงมันก็แก่ยากแตเราต้องเข้าใจการทํางานของเขาก่อนนตว่าการทํางานของตันหาเนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือการที่ตันหาจะออกมาเล่นงานเราเนี่ยคนที่ถูกตันหาเล่นงานเนี่ยแล้วก็โอยร่ําให้ข้ามครัวทุกบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงข้างเพลยเนี่ย หรือว่าเป็นคนที่กระฟัดกระฟื้กระร่างกระเจืองแสดงความขวดความขัดเกงความไม่พอใจให้ปรากฏนี่หรือเป็นผู้ที่เพ่งเลงและมีความคิดว่าทรัพย์ของผู้ใดทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราอย่างนี้เป็นเพราะอํานาจของตันหาเวลาตันหามันออกมาทํางานมันจะออกมาในลักษณะสามลักษณะสามอย่างอย่างแรกเนี่ยคือปัญหาในกามท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนนะกามในที่นี้อาตมาไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนคู่แต่พูดถึงเรื่องของ ตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าบอกไว้ชัดเจนบอกว่ากาล์มคืออะไรนะกาล์มเนี่ยอารมณ์อันวิจิตพิสดารที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ไม่ใช่กามนะอันนี้เรียกว่ากาลมาคุณแต่ความยินดีพอใจความเพลิดเพลินรุ่มหลงที่เข้าไปอยู่ในกามคุณทั้งห้าเนี่ยนี่เรว่าการเสพกาล์มคือกาล์มเพราะฉะนั้นกาล์มเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างเท่านั้นนะเช่น โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เรามีความพอใจในสิ่งนั้นนี่คุณมีกรรมอ่ะบ้านหลังโตๆยังไม่ใช่การมนะแต่ถ้าคุณมีความพอใจในบ้านในรถตรงนี้เรียกว่าเสพกรรมละเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่อย่างคนรวยที่เขาอยู่กันเนี่ยเช่นมามีบ้านใหญ่มีรถคันใหญ่มีเงินมากแต่ถ้าไม่มีความินดีพอใจในสิ่งนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าเสพกรรมนะเพราะฉะนั้นการมเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันจะมาทาง ห้าอย่างเท่านั้นคือไม่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นก็ทางกายหนึ่งในห้าอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย เ, เรื่องของกามเนี่ยจึงมาอยู่ตลอดเวลานะมันจะออกตัณหาเนี่ยจะออกมาในลักษณะของกามอย่างนี้นี่คือลักษณะแรกที่มันจะออกมาได้ เ, เรื่องของกามตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจอีกนิดหนึ่งว่าความสุขใดๆความสุขโสมนัสใดๆความเพลิดเพลินยินดีใดๆที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย อันนี้คือกามพระเนรพระรุจ้าจึงบอกว่าไอ้เครื่องผูกอย่างเช่นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงกิจยศเนี่ยอันนี้ถ้ามีความเยื่อใยยินดีเยื่อใยในในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนั่นคือคือสิ่งเครื่องผูกคือตันหาซึ่งในกรณีนี้การทํางานของเขาคือกามะตันหาตันหาในกามคนเนี่ยพอมีตันหาลักษณะของกามตันหาคือตันหาในกามแล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เกิดต่อไปคือการสแสวงหา ก่อนที่จะพูดต่อไปเนี่ยต้องบอกนิดหนึ่งว่ากา ร, รตัณหาเนี่ยคือตัณหาที่มีอยู่ในกามเนี่ยทําให้เราเกิดความทุกข์ได้ไงอันนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนอก่อนที่จะอธิบายให้ฟังเนี่ยจะต้องพูดว่าตัณหา ย, ยังมีอีกการทํางานของเขาเนี่ยจะออกมาในสามลักษณะคือทางกายทางหูทางหูจมูกลิ้นกายความที่อยากมีก็คือเภาวะตัณหาความไม่อยากเป็น นตัณหานี้จะออกมาลักษณะสามลักษณะที่มันจะทําให้เรามีปัญหานะก็คือออกมาทางการในความอยากในทางตางอุจมูกลินกายออกมาในความอยากเป็ น, อ ย, ปนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แล้วก็ไม่อยากเป็นจะชี้ความแตกต่างให้ฟังด้วยอันดับแรกก่อนคือความอยากในกางพอมีตัณหาเนี่ยมีความอยากใช่ไหมมีตัณหามันจะเกิดการสแสวงหาเอาแค่ง่ายๆเรามีความอยากในบ้านหลังใหม่ รถคันใหม่โอ้โหรถรุ่นใหม่ออกมางามเหลือเกินอยากละ่ะทำยังไงแสวงหาก่อนเลยครับแสวงหานี่ทำยังไงนอกจากหาข้อมูลหาว่าที่ไหนซื้อได้ถูกที่สุดการทํางานของมันเป็นยังไงมีการทํางานอะไรได้บ้างอะไรเป็นข้อดีข้อเสียโอ้โหแสวงหามาหมดในข้อมูลเต็มปุ๊บพอมีการแสวงหาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วนะจึงมีการได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อมีการแสวงหาแล้วเนี่ยก็จะมีการได้ มีปัญหามีการแสวงหาจะมีการได้พอมีการได้มาครอบครองแล้นะแหมรูปคลัมจับจึงมีการโปร่งใจรักพอมีการได้แล้วจึงมีการปร่งใจรักแล้วพอโปร่งใจรักแล้วเนี่ยคนที่รักสิ่งไหนแหมนี่ของฉันนะมันมีความรู้สึกรักในสิ่งนี้มากเลยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความกําหนัดด้วยความพอใจพอกําหนัดด้วยความพอใจแล้วเนี่ยก็จะมีความสยบโมเมา สยบมัวเมามัวเมาในสิ่งนี้แล้วก็จะมีความจับอกจับใจพอมีความจับอกจับใจแล้วก็จะมีความตระนีเอาละตะนีละพอกลับตะนีแล้วก็จะมีการห่วงกันห่วงกันกัน่ะพอมีการห่วงกันของฉันนะเธออย่ามาใช้พอมีการห่วงกันแล้วก็จะมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันมีอะไรบ้างพะพุทธเจ้าบอกว่ามีการใช้อาวุธไม่มีคมการใช้อาวุธมีคมการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาท คือการกล่าวคําหยาบว่ามึงมึงนะ <S <s คําพูดส่อเสียดคาพูดเท็จทั้งหลายทําอันเป็นบาปอากุศลเป็นอนเนกจึงเกิดขึ้ น, น <S <s พร้อเพราะว่าอะไรเ <s> พราะว่าตรงนี้คือเรื่องราวเอันเกิดจากการห่วงกันที่มีมาได้เนี่ยเพราะมีการห่วงกันมีการห่วงกันเป็นเหตุมาจากความตระหนี่ที่มีความตระหนี่ได้ก็เพราะมีความจับอกจับใจที่มีความจับอกจับใจเนี่ยเพราะคุณมีความสยบโมเมามีความสยบโมเมาก็เพราะว่ามีความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินความปอใจไอ้ความกําหนัดตรงเนี้ย เกิดมาจากการโปร่งใจรักพอเราโปรง่งใจตัดสินใจว่าโอ้ฉันรักสิ่งนี้นะก็มีมาได้เพราะว่าการได้มามีสิ่งนั้นแต่พอมีการได้มาเนี่ยการได้มามาจากอะไรก็พาจากการแสดงหาการแสมงหามีเหตุมาจากอะไ ร, ไ ม, ม, ากกา ร, รมีเหตุมาจา ก, าจากาตัณหาตัณหาเนี่ยจึงก่อให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ตัณหาในที่นี้เนี่ยคือตัณหาในกามหรือตัณหาในสิ่งของภายนอกอยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือหรือว่าของของเรา โทรศัพท์มือถือของเรากับของเพื่อนเพื่อนที่เราไม่รู้จักอ่ะใครก็ไม่รู้รุ่นเดียวกันทําสีเดียวกันทํางานได้เหมือนๆกันซเซอร์นัมเบอร์ที่เป็นเบอร์ของเครื่องนะต่างกันแค่อันลำดับเดียวของเขาตกแตกไม่มีปัญหาฉันแม่ผู้ช่วยบอกให้ระวังเธอไม่ระวังแต่ของตัวเราเองตกแตกโอ้โหมันทุกจริงจริงมันจี้ขึ้นมาแล้วโอ้เรรอสียดายผู้ช่วย ซื้อมาอย่างดีจะแสวงหาข้อมูลต่างๆทางซะแลว้วมันเสียใจนะแต่โทรศัพท์ของคนอื่นแตกพังนี่ไม่มีปัญหาฉันไม่มีปัญหาเลยนี่แหละเพราะว่าเรามีความพอใจในโทรศัพท์ของเรามีการปร่งใจรักมีความกำหนัดมีความตาณีมีการหวงกันในโทรศัพท์ของฉันแต่โทรศัพท์ของคนอื่นนะไม่เป็นไรทั้งที่ก็โทรศัพท์เหมือนกัน่ะทํางานเหมือนกันเบอร์ต่างกันเบอร์เดียว อันหนึ่งมีปัญหาให้เราอีกอันหนึ่งไม่สร้างปัญหาให้เรานี่คือการทํางานของอ่าตันหาในเรื่องของกามทางหูจมูกลิ้นกายซึ่งอันเนี้สามารถใช้กับได้ทุกๆสิ่งเลยเอาบ้านบ้านเนี่ยถ้าบ้านของบ้านชาวญี่ปุ่นอ่ะอคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นโอ้โหบ้านชาวญี่ปุ่นคุณอาจจะรู้สึกเศร้าสลดนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านตัวเองเป็นอย่างโอ้โหมันจะยิ่งกระเสือนใจมากกว่านี้นี่เป็นไปพลัดอำนาจของตันหา ปัญหาที่มีในกาเลเนี่ยนะนอกจากจะสร้างปัญหาเอาแค่ง่ายๆเล็กๆอย่างโทรศัพท์มือถือของเรารถของเราบ้านของเราเนี่ยยังสร้างปัญหาระดับชาติยังไงการที่ยกทัพตีกันหรือว่าคดีความต่างๆในสาลหรือว่าการทําผิดต่างๆในสังคมเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันสร้างปัญหายัางไงคือคนที่ ไปขโมยของคนอื่นก็เพราะคุณมีความอยากในสิ่งที่คุณไม่มีนะหรือการที่เรามาขึ้นเวทีด่ากันใส่ร้ายใต้สีกันก็เพราะว่าคุณอยากมีอํานาจอยากมีทรัพสมบัติในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความอยากตรงนี้จึงทําให้ทําสิ่งเหล่านี้นี่คือความอยากทางกามอํานาจเป็นการยังไงอํานาจก็คือคนอื่นมา ย, ยกยอเรานะก็เป็นความสุขทางหูเป็นตันหาทางหูเป็นตันหาทางอ่าเขาเรียกว่าภาวะตันหาคือตันหาในความอยากเป็น มีส่วนที่เป็นตันหาการมัตตาก็มีมีส่วนที่เป็นภวะตันหะก็มีแล้วก็มีส่วนที่ไม่ความไม่อยากเป็นคือวิภวตันหาก็มีฉันไม่อยากเป็นฝ่ายนี้ฉันอยากเป็นฝ่ายนี้ฉันอยากมีเงินมีชื่อเสียงสามอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ถูกตันหาเข้าเล่นงานในลักษณะสามลักษณะเนี่ยจะยิ่งมีปัญหามากในชีวิตเขานะพอฉันไม่อยากเป็นฝ่ายนี้ฉันอยากเป็นฝ่ายนี้ฉันอยากเป็นแบบนี้แหล แล้วก็อยากมีเงินอยากมีบ้านอยากรวยอยากให้คนอื่นมายกยอป่อปั้นมีถูกเล่นงานสามอย่างเลยเพราะฉะนั้นเขาจะถูกดึงไปอย่างมากจะสร้างปัญหามากในมพวกเนี้จะขึ้นเมตีด่ากันบ้างจะไปประท้วงบ้างจะไปทําสิ่งต่างๆที่ เ, เรียกว่าเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตันห า, าการรบระหว่างประเทศพระราชายกทัพตีกันก็เพราะว่าตันห า, าบ้านเมืองนี้ ไปปล้นสะดมบ้านเมืองนั้นมีการตีระหว่างเมืองก็เพราะาตัณหาอยากครองประเทศอยากมีความยิ่งใหญ่นี่ตัณหาหมดเลยจะเห็นว่าตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องชักจูงยึดเครือข่ายเป็นโยงใยเป็นเรียกว่าพาเราไปทํานั่นทํานี่ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าตัณหาตัณหาอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าเป็นไปเพื่อกันสมัยหาแล้วก็ทําให้เรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกั้นมีขึ้นได้เนี่ยนะ อันนี้เป็นลักษณะหนึ่งของตันหาตันหายังมีการทํางานของเขาในลักษณะที่สองนั่นคือตันหาที่ทําให้เกิดความยึดตันหาทําให้เกิดการสวงยงานนี้ก็อย่างหนึ่งตันหาที่ทำไม่เกิดความยึดนี่ก็อย่างหนึ่งตันหาที่ทําให้เกิดความยึดเนี่ยยึดคืออุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นพอคุณมีความอยากคุณจะมีความยึดยึดมั่นถือมั่นนะพอมีอุปทานคือความยึดแล้วเนี่ยจึงมีพบพบเนี่ยคือกิดการเกิดขึ้นสิ่งที่เราสิ่งที่จะไปเกิดได้ จิตของเราเนี่ยจะไปก้าวลงสู่เกิดในสิ่งนั้นมันต้องมีภพจิตของเราเข้าไปเกาะเกี่ยวเข้าไปปักอยู่เนี่ยคือมีภพละพอมีภพเนี่ยจึงมีการเกิดพอมีการเกิดเนี่ยก็มีการแก่ความตายความโศวความร่ำไรลาพันธความทุกข์กายความทุกข์ใจความครับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นพร้อมจึงเกิดขึ้นครบถ้วนที่มีความทุกข์ทั้งหมดนี้มีได้เพราะมีการเกิดมีการเกิดได้เพราะมีภพมีภพเนี่ยก็เพราะมีความยึดมีความยึดก็เพราะมีตัญหา ประเด็นตัญหาเนี่ยทำให้เราเกิดความทุกข์ในลักษณะนี้ได้ในความทุกข์ที่เราเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยที่เราเห็นเฉพาะหน้าเนี่ยคือความคือตัญหาที่เกิดจากการแสวงหาซึ่งมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันนะเป็นผลเช่นการใช้อาวุธการใช้คําพูดที่หยาบคายอันนี้เห็นได้เฉพาะหน้าเลยตัญหาที่ทํางานลักษณะแทรกซึม ใ, ในใจของเราก็คือตัญหาที่เราไม่เกิดอุปทานนะมีสองลักษณะซึ่งการทํางานใน2ลักษณะเนี้ยมาพร้อมๆกันซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงๆุงดงเราตามไม่ทัน Nay, ท mind, doctor, him, removed, ี่มันทํางานเนี่ยมันอาศัยสามอย่างกระบวนการ3ามอย่างของมันคือปัญหาที่เกิดจากกามปัญหาในความอยากมีคือปัญหาในความอยากไม่เป็นไม่มีไม่เป็นอยากมีอยากเป็นปัญหาในกามสามลักษณะนี้ในการทํางานของเขากระบวนการการทํางานแล้วการทํางานของเขามีได้ที่ไหนห้าทํางานของเขาอยู่ที่ไหนปัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดี ปัญหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดได้ในสิ่งนั้นเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในในสิ่งนั้นสิ่งไหนล่ะที่มีความรักความพอใจเป็นที่มายินดีได้โอ้โหทุกสิ่งเลยธรรมาจะบอกให้ในทุกที่เลยโคงไฟตุ๊ ก, กาตาบ้านรถแม้แต่เศษดินบ้านร้า ง, างในน้ําทะเลมีสิ่งไหนเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ได้เนี่ยไม่มีอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักเป็นที่มายินดีได้มันแปลว่าเลยก็คือแปลว่าเป็นที่ตั้งของตัณหาได้อะไรที่เราเห็นได้รู้ได้ฟังได้รู้สึกได้สัมผัสได้จับได้ลิ้มรสได้พวกนี้มีตัณหาได้หมดตัณหาสามารถเข้าไปอยู่ในสิ่งนี้ได้หมดเอาขานาะดขวดน้ำเปล่าๆที่เราดื่มแล้วทิ้งเนี่ยคนเก็บขยะเข า, ย, ายังไปมีตัณหาได้เอ้า หรือของที่เราทิ้งแล้วเราไม่มีความพอใจแล้วเอาป่านี่ตัดไม้แลฟันทิ้งเผาก็ยังมีคนไปพอใจในสิ่งนั้นตามเก็บตามเอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรต่างๆได้แมมพูดมาถึงปัญหาของตันหานี่มาพอสมควรละนั่นะก็คือว่าตันหานี่มีลักษณะเป็นยังไงคือตัวของมันเองในะการทำงานของเขาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบสามอย่างนะัคือการมาตันหา ตนาในความอยากมีตนาในความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วก็การเข้าทํางานของเขาเนี่ยจะมาในละสองรูปแบบคือตนาที่ทําให้เกิดการสวายหากับตันาที่ทําให้เกิดอุปทานแล้วที่ทํางานของเขาเนี่ยมีทุกที่เลยสิ่งไหนตาหูจมูกนิ้วกายใจมันเอาเราได้หมดนนนี่คือตันาแล้วถามว่าวิธีแก้ตนาทํำยังไงวิธีแก้ตหาก็คือใช้ระบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการมีเอายมักมีองแปด แะใช้มันีิเองใช้ทางเนี่ยมีอยู่ทางดําเนินในการที่จะดับปัญหาได้มีและก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปนั่นเองทำไมพรพุทธเจ้าถึงบัญญัติเรื่องของอริยมรรคมีองค์แปเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องปัญหาคือว่าถ้าเราต้องการจะดับปัญหาเนี่ยอยู่ๆเราจะไปตามดับตัวตัญหาเอง่มันไม่ได้แต่ธรรมะจะบอกง่ายๆยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคุณจะต้องการแก้ปัญหา เรื่อเศรษฐกิจอย่างเนี้ยกตัวอย่างนะอยู่ๆเราเอาเงินมาเอาเงินมาเพิ่มเอาเงินมาเพิ่มมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยตรงคุณจะต้องเริ่มตั้งแต่ระบบการสร้างงานระบบการประหยดัดระบบการเก็บหอมรอมริบถึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้คือแก้ที่ต้นเหตุเวลาเราตื่นสายอย่างนี้เป็นตน้นตื่นสายอยู่ๆแก้ปัญหาเรื่องการตื่นสายของเราอยู่ๆคุณลุกขึ้นเลยทําใจาให้สบายแล้วก็ลุกขึ้นมันไม่ได้มันต้องไปแก้ปัญหา ที่ต้นเหตุของตัณหาก็คือว่าเอ๊ะคุณมีเป้าหมายชีวิตไหมสุขภาพคุณเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้ถึงจะแก้ปัญหาเรื่องการตื่นสายได้เหมือนกันเราบอกว่าเราจะแก้ปัญหาดับตัณหาเนี่ยคุณจะไปดับที่ตัวตัณหาเองไม่ได้แล้วก็ต้องมีกระบวนการการที่จะทําให้เหตุของการดับตัณหาเนี่ยมาได้นั่นก็คือเรื่องของมรรคอริยมรรคมีองค์แปดพอเราอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปแล้วเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะค่อยๆจางคลายจางค ล, ลายไปดับไปไม่เหลือ เราจะด่าคนอื่นหยุดไว้อดทนไว้คุณอยู่ในมรค่ะนะเดินอยู่ในมรคตัญหาจะลดลงจะขโมยของอะไม่ขโมยละซะนะตัญหาลดลงะนะอมีโอกาสที่จะผิดรูปผิดเมียเขาเราบอกไม่ทําฉันตั้งอยู่ในศีลธรรมมีวินยัยนะเราจะสูงขึ้นเลยนะจิตของเราจะสูงขึ้นระดับหนึ่งตัญหาจะเอาเราไม่ได้เราอยู่ในสานการณ์ที่จะสามารถทําผิดได้ เป็นข้าราชการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจคุณตัดสินใจอย่างถูกต้องไม่ไปเป็นอำนาจของตันหา น, นี่จิตคุณสูงขึ้นทันทีคนจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยหนึ่งคุณต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรไม่ดีแค่รู้อย่างเดียวนะยังไม่ทำก็ได้รู้อยู่อย่างนี้ยคุณมีสัมมาทิฏฐิหลักแมมความเห็นคุณยอดเยี่ยมรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีความ เปียนในการที่จะละสิ่งที่ไม่ดีทําสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีฉันไม่ทําสิ่งที่ดีฉันเอาฉันทําอย่างนี้นี่คุณมีความเพลี่ยนมีกําลังจิตเนี่ยมีกําลังคนจะจิตมีกําลังอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีการฝึกจิตจิตคุณต้องเป็นสมาธิละไม่ไหลไปตามต า, มตามหูจมูกลิ้นกายใจมากจิตนิ่งอยู่ได้ถึงเวลามีสถานการณ์นะอย่างน้ําท่วมแผ่นดินไหวเนี่ยเราถ้าเรามีสติเนี่ยนะจิตมีกําลังเนี่ย คุณสังเกตได้เลยคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่กระฟัดกราฟีกระด้างกระเดื่ยงแสดงความกดความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏจะไม่เป็นหรือจะไม่ทุกโ อ, อกร่ำให้ข้ามครวนถึงความข้างเพือจะไม่เป็นแสดงว่าจิตเขามีกําลังจิตมีกําลังอย่างเนี้ยคุณสามารถเอาตัณหาออกจากจิตได้อยู่ในสมาสมาธิแล้วมีสมาสติแล้วประกอบกันเนี่ยโอ้โหสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ทําตามอำนาจตัณหา แต่ทําตามเหตุผลชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ให้มีเป้าหมายในชีวิตมีได้แต่อย่าเป็นไปตามอํานาจของตัณหาให้เป็นไปตามหลักเหตุผลให้เป็นไปตามอํานาจความพอใจความสันโดษฉันทะชีวิตเราจะเป็นสุขอยู่ได้ในวันนี้ก็คิดว่าแสดงธรรมประกอบด้วยเหตุผลและสมควรแก่เวลาและท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ด้วยการมีสติเนี่ยจะสามารถฟังธรรมเข้าใจได้มีจิตที่เป็นหนึ่งได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา วันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้จเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา5นาิกาถึง5นาฬิกาานาที่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ